ว่าโลกทุกวันนี้นะขับเคลื่อนด้วยความรู้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่านะเขาบอกว่าโลกตอนนี้มนันอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารอิน o r m เ t ช o ั่นเอแล้วก็เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีไอทีไอตัวนี้มันก็คืออนะิน o r m เ t ช o ั่นซึ่งก็หมายถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งหลายคนก็ มองว่ามันก็คือความรู้อย่างหนึ่งซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะเพราะข้อมูลข่าวสารที่มันที่ไม่ใช่ความรู้ก็มีนะคือข้อมูลที่เป็นเท็จอันนี้มันก็ไม่เรียกว่าเป็นความรู้แต่เอาเป็นว่าคนในยุคนี้เนี่ยก็มีความเชื่อว่าเนี่ยความรู้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นก็ต้อง รู้จักแสวงหาความรู้เพราะเห็นี้เนี่ยให้การรู้ทันโลกเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่รู้ทันโลกเนี่ยมันก็มีหลายความหมายนยาะว่าบางคนเนี่ยรู้ทันโลกก็หมายถึงว่ารู้ว่าตอนนี้แวดวงกีฬาเป็นอย่างไรแวดวงดารานักร้องเป็นอย่างไรนะมีคู่ไหนที่เขา ชอบพอกันมีคู่ไหนที่เขาเลิกลา ก, กันหรือว่ารู้ทันโลกเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับเรื่องหนังภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยมอะไรพวก น, นี้อันนี้ก็สำหรับหลายคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทันจัดว่าเป็นการรู้ทันโลกแบบหนึ่ง อันนี้ไม่นับถึงความก้าวหน้าใหม่ๆทางด้านวิชาการทางด้านวิทยาการคนที่เป็นหมอคนที่เป็นวิศวกรหรือแม้คนในวงการธุรกิจนี่ก็ต้องติดตามวิทยาการใหม่ๆความเป็นไปที่ เกิดขึ้นในแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเพื่อมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตอันนี้คือเหตุผลที่หลายค น, นยขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมือในการที่จะรู้ทันโลกแต่ไม่ว่าจะรู้ทันโลกในความหมายใดรวมทั้ง รู้ทันความเป็นไปความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการทำรรมาหากินหรือการประกอบอาชีพการงานพวกนี้เนี่ยสำคัญก็จริงนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เนี่ยก็คือการรู้เรื่องกายเรื่องใจรู้โลกไม่พอต้องรู้จักตัวเองด้วย รู้จักตัวเองนี่วความหมายนี็คือรู้กายรู้ใจเพราะถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจนี่มันก็อาจจะถูกพัดพาเข้าไปในความทุกข์ได้แล้วตัวที่พัดพาไปในความทุกข์หรือว่าความตกต่ำย่ำแย่นี่บางทีก็ไม่ใช่อะไรเนะี ไม่ใช่ความเปลี่ยนไปของโลกนะแต่มันคือความหลงที่เกากลุ่มจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้ทันใจของเราหรือไม่รู้กายรู้ใจเนี่าอให้ความหลงมันครอบงำกากัดมันก็สามารถจะ ผลักพาที่อของเราไปทางที่ตกต่าย่ำแย่หรือเป็นทุกข์ได้เดีย๋ยว่าเรื่องของใจนี่สำคัญมากรู้กายรู้ใจความหมายนั่นคือรู้ถึงความสัมพันธ์ของใจกับกายว่ามันมีผลอย่างไรบ้างต่อชีวิตของเรา บางทีเราคิดว่าเรารู้ใจของเราดีพอแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ไม่รู้มากกว่าแล้วพอไม่รู้ใจมันก็ปล่อยให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรามัน ช่างนำนหรือพัดพาชี่อของเราเป็นในทางที่เป็นทุกข์หรือว่าซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเราก็ได้คุณห <ork un S 2> มอมารามาริลาเล่าว่าสมัยหนึ่งสมัยที่ไปเรียนแล้วก็ทำงานที่อเมริกา เป็นหมอดูแลคนไข้ก็ไปเจอคนไข้คนหนึ่งนะไปรู้จักคนไข้คนหนึ่งเธอเป็นอัมาพาตก่อนที่จะเป็นอัมาพาตเนี่ยเธอก็มีชี้ที่เรียกว่าราบรื่นพอสมควร เธอมีลูกชายคนหนึ่งนะลูกชายคนนี้เนี่ยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยก็เกิดชอบพอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคบหากันไปเที่ยวด้วยกันที่แร้วผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเห็นลูกชายเนี่ยคบหากับผู้หญิงคนนี้บ่อยขึ้นไปเที่ยวด้วยกันบ่อยขึ้น ก็เริ่มนะมีอาการนะอาการอะไรนะปวดหัวตัวร้อนพอรู้ว่าลูกชายนี่ไปเที่ยวนะกับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะก็จะปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาทัทีเลยนะแล้วก็บอกให้ลูกนี่ช่วยพาไปหาหมอแล้วก็ตอนนั้นไม่พอนะยังขอร้องให้ลูกเนี่ยเลิกคบกับผู้หญิงคนนั้น ลูกพอรู้ว่าแม่เนี่ยไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีอาการปวดหัวตัวร้อยไม่สบายทุกทีเวลารู้ว่าลูกเนี่ยไปเที่ยวกับแฟนตอนหลังก็เวลาไปเที่ยวกับแฟนก็ไม่บอกกลัวแม่ไม่สบายกลัวแม่เป็นทุกข์กลัวแม่ไม่พอใจก็คบเลิกมาจนทั้งพอเรียนจบก็ ตกลงโปรงใจนะแต่งงานกันแต่งงานนี้ก็ไม่บอกแม่นะแต่งงานเสร็จก็พาภรรยามาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยเจ้าสาวของผมพอแม่รู้เนี่ยตกใจนะเป็นลมเลยนะฟื้นขึ้นมาเนี่ยแข้งขาไม่มีแรง กลายเป็นอัมพาตไปเลยอวดไปรักษายังไงก็ไม่หายแล้วหมอก็ไม่พบความผิดปกติของร่างกายนะตอนหลังก็เลยต้องไปรักษาทางด้านจิตเวทรักษาเป็นปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นวันหนึ่งเนี่ยขณะที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยตัว แม่นี่ก็อยู่ชั้นแปดนะบอกกว่ามันเกิดการลัดวงจรอาจจะเกิดไฟไหม้ทางโรงพยาบาลก็เลยต้องอพยพนะคนไข้เนี่ยลงไปอยู่ชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยพยาบาลก็บอกคนไข้ว่าเนี่ยถ้าเดินไม่ได้นี่ก็มีเปลหามนะ แต่คนไข้คนไหนที่เดินได้ก็เดินตามเจ้าหน้าที่ไปนะลงสะพานบันไดหนีไฟเพราะว่าพอทุกคนเนี่ยมาถึงชั้นล่างนี่ก็พบว่าผู้หญิงคนเนี้ยสามารถจะเดินลงมาได้โดยตัวเองทั้งที่ก่อนหน้านี้นเป็นอัมพาตคนหนึ่งก็กทักว่าทำไม เธอเดินลงมาได้ยังไงพอถูกทักเท่านี้นะเธอก็ล้มลงทันทีเลยแล้วกลับมาเป็นอัมพาตเหมือนเดิมเดินไม่ได้เลยคนนี้สันทีที่ถูกทักว่าเนี่ยเดินลงมาได้ยังไงนะดยตัวเองเนี่ยาที่หมอเลยพบว่าไอ้เคสนี้ประหลาดนะก็เลยทำการสักถามประวัติ ก็เลยได้ความว่าเนี่ยเธอเนี่ยไปสูญเสียสามีเนี่ยสามีไปรบในสงครามเกาหลีเนี่เสียชีวิตไม่กี่ปีต่อมาลูกชายคนโตก็ไปรบสงครามเวียดนามก็เสียชีวิตก็เหลือแต่ลูกชายคนเล็กย้า้ลูกชายนี่อยู่กับตัวเอง แต่พอรู้ว่าลูกชายนี่ไปคบผู้หญิงก็อยากให้ลูกชายแต่งงานกลัวว่าจะสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าพอรู้ว่าลูกชายแต่งงานเนี่ยเสียใจมากนะตกใจนะเป็นอมัมพาตไปเลยร่างกายไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าเป็นเพราะใจเนี่ยมัน มีความทุกข์มีความเสียใจมีความผิดหวังมีความเครียดมีความวิตกกังวลสารพัดก็เลยกลายเป็นอัมาาพาตไปเลยโอนี่จิตใจมันสำคัญนะอาชี่โบราณเขาเรียกว่าเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันจริงเลยมันมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ ร่างกายไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าป่วยนั่นป่วยนี่พอสืบสาวไปรจริงๆก็พบว่าสาเหตุที่แท้เนี่ยก็คือจิตใจนะอย่างพี่ยิงพเคยเล่าแล้นะอายุแค่ยี่สิกว่าปวดหัวปวดท้องเรื้อรังเป็นปีๆความดันก็ขึ้นเป็นประจำ ไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายและหมอก็แปลกใจนะเพราะว่าร่างกายเธอไม่มีอะไรที่มันผิดปกติที่จะทําให้มีอาการที่ว่าได้เลยให้ยาไปก็ไม่ช่วยเท่าไหร่จนถึงวันหนึ่งเนี่ยหมอที่รักษานเนี่จึงเดิมก็เกือบจะถอดใจอยู่แล้วเพราะรักษามาเป็นปีแล้วแต่แกเกิดฉียวใจขึ้นมาก็เลย ถามคนไข้ว่าไหนคุณช่วยเล่าประวัติคุณให้ฟังนะนะเธอก็เล่าว่าไหนเธอนะเป็นลูกกำพระกำพระทั้งพ่อแม่อยู่ในความดูแลเลี้ยงดูของพี่สาวตั้งแต่เล็กพอเวลาเธอเล่าถึงพี่สาวสองคนเนะี่ยเธอก็มีอาการโกรธนะมีความน้อยใจมีความกลัดเกลียว เขารู้สึกว่าพี่สาวนี่เอาเปรียบรังแกชอบใช้อำนาจกับเธอหมอเลยรู้เลยนะว่าสาเหตุของความเจ็บปวดของเธอคืออะไรหมอเลยแนะนำว่าเนี่ยขอนแนะนำอย่างหนึ่งนะให้อภัยพี่สาวซะถ้าเธอกลับไม่พอใจนะในคำแนะนำของหมอหายไปเลยนะ ไม่กลับไปหาหมออีกอเป็นปีเลยนะจนวันนึงหมอนี้ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้เธอบอกว่าตอนนี้ฉันหายแล้วปวดหัวปว ด, วดท้องเรือรังนี่หายแล้วตอนนี้ความนันก็เป็นปกติแล้วว่าทาตามที่หมอนแนะนำาคือให้อภัยโรขงเธอเนี่ยเกิดจากความโกรธนะความโกรธความแค้น มันก็เลยพลอยทาให้ร่างกายเนี่ยเกิดความแปลปวนหรือเจ็บป่วยขึ้นมา น, นี้ก็เหมือนกันนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วในกรณีอย่างนี้านบางทีผู้อิจารก็จะว่าจิตเป็นผู้ร้ายนะกายเป็นเหยื่อนะจิตเป็นผู้ร้ายกายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้รับเคราะห์ แต่ที่จริงถ้าดูให้ดีเนี่ยจิตไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะผู้ร้ายหรือตัวการที่ทำให้กายป่วยเนี่ยมันคือความหลงความหลงต่างหาที่เป็นผู้ร้ายจิตเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกแต่พอจิตเนี่ยถูกความหลงมันครอบงำความหลงที่ว่าก็คือความโกรธ ความเศร้าเสียใจความเครียดความวิตกกังวลไอว้วนี้เรียกว่าตัวหลงนะพอมันครอบงำจิตเมื่อไหร่นี่กายนี่ก็เพียนไปเลยที่แรกจิตเพียนก่อนแล้วต่อไปกายก็แปรปรวนตามไปด้วยอันนี้คือเรื่องของใจและกายเนี่ยที่คน ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ตันหนักเท่าไหร่ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากยกใแต่คนทั่วไปเลยแม้กระทั่งหมอเนี่ยนะก็ไม่ได้เห็นเลยนะว่าใจเนี่ยนะมันมีผลต่อกายมากวันนั้นที่ถ้าเราอยากจะให้ชื่ิงเราเนี่ยเป็นปกติสุขนร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอาการเพี้ยนหรือว่า เป็นทุกข์เนี่ยหรือเจ็บป่วยเนี่ยให้การดูแลจิตใจของตัวเองนี่เป็นเรื่องสําคัญนะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการดูแลจิตใจเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ความสำคัญกรใจนะแต่ว่าให้ความสําคัญอีกแบบหนึ่งนะีคือไปเน้นที่การปลนเปลอจิตใจ ใจอยากได้อะไรก็ดิ้นรนไปสแสวงหาหาสิ่งปลนเปลอือยโดยเพราะสิ่งเสพเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อให้ได้ปลนเปลือจิตใจแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นการปลนเปลือใจเนี่ยมันเป็นการปลนเปลือกิเลสหรือความหลงมากกว่าและไม่ใช่เฉพาะ การเสพที่ทําให้จิตใจเป็นสุขเพื่อเพลินยินดนีแม้ทั้งสิ่งที่เสพแล้วทําให้เป็นทุกข์ก็อดเสพไม่ได้เช่นข้อมูลข่าวสารที่ทําให้พอเสพหรือพออ่านแล้วก็เกิดความโกรธความเกลียดความเคียดความแค้นหรือพอมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปไปยึด นะไปหวงแหนมันเอาไว้อันนี้พออหน้าความหลงแท้เลยการให้ความสำนึกจิตใจเนี่ยมันมันไม่ใช่ทำด้วยการปนเปื้อนนะความต้องการของใจนะซึ่งอย่างที่บอกนะมันเป็นการปนเปื้งกิเลสหรือปนเปื้ความหลงมากกว่า แต่คือการดูแลจิตใจของเราให้ดีเพื่อไม่ให้ความหลงนี่มันเ ข, เข้ามาครอบงาหลงเนี่ยความหลงมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเราไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวก็หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์หรือว่าเรียกว่าหลงคิดหลงอารมณ์ก็ได้แล้วพอหลงอารมณ์แล้วนะ ความเจ็บความป่วยก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาอย่างตัวอย่างที่เล่าในการรู้ทันเนี่ยในการรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะถ้าเราจะดูแลจิตใจของเราเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการรู้ทันความคิดและอารมณ์พอไม่งั้นเนี่ยมันก็เปิดช่องให้ ตัวหลงนี่เข้ามาครอบ ง, งำจิตให้ความคิดลบคิดร้ายเนี่ยมันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์หรืออารมณ์ที่เป็นอุกุศลเนี่ยมันก็สามารถจะเผาลนติตใจหรือว่ากดทวงลงทับใจได้เป็นเพราะเราไม่ค่อยใส่ใจนะกับใจของตัวเนี่ยจึงปล่อยให้ให้ความหลงเข้ามาครอบ ง, งำ งถ้าเราเห็นความสำคัญของใจไม่อยากให้ใจเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายและกายเนี่ยเป็นผู้รับเคราะห์หรือว่าถ้าเราตระหนักว่าเนี่ยตัวหลงเนี่ยนะคือผู้ร้ายที่แท้จริงเราก็ต้องพยายามรักษาใจเราไม่ให้ความหลงเข้ามาครอมงำโดยการมันมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอมารู้สึกตัวนี่ จะให้รู้สึกตัวอย่างเสมอนี่คงจะทำได้ยากนะสำหรับปุ้ทุชนแต่ว่าถ้าเราหมั่นมาดูใจของเราหมั่นมาสังเกต จ, จิตใจของเรามันก็ช่วยทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเรามีสติรู้ทันความคิดมีสติรู้ทันอารมณ์การที่เราจะมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการหมั่นสังเกต นะหรือเฝ้ามองนะจิตใจของตัวเองแต่จะให้เฝ้ามองถ้าเฝ้ามองไม่เป็นนะมันก็กลายเป็นเพ่งเข้าในจะทำอะไรก็ทำผิดทำพลาดนะเพราะว่าใจนี่มันมีแต่จะไปเพ่งเข้ามาดูความขิดละอารมณ์แต่เราสามารถที่จะฝึกให้ใจเนี่ยมีความรู้ทันให้สติให้มีสติ รู้ทันความขี้ละลืมได้ด้วยการที่เราฝึกใจให้มีสติอยู่กับการทำสิ่งใดก็ตามที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นอันนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายนะไม่ว่าเราทำอะไรโดยเพราะเมื่อเราใช้กายทำกิจต่างๆอาบน้ำล้างหน้าถูฟันล้างจานทำครัว ตักอาหารใส่ปากอันนี้เป็นกิจที่เราทำอยู่บ่อยๆตลอดทั้งวันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีเอาใจเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าหาว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น หรือทำอะไรเนี่ยทำด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยมันก็จะมีความสึกตัวขนะ้ดยกันพอมันเผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่หรือว่าออกไปเที่ยวพลัดออกจากงานที่ทำก็ให้มันนะฝึกให้รู้ทันความคิดที่มันชักนำจิตใจออกไป พอรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่อันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ในชีวิตประจำวันมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเลยมันไม่ได้ใช้เวลาพิเศษถ้าเราทำานี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแม้ว่าอาจจะได้วันละนิดวันละหน่อยนะอย่างเช่นเวลากินข้าวเนี่ยนะ ใจมารับรู้อยู่การกินข้าวเพียงแค่ 10% ของเวลาที่กินหรืออาจจะหเป์ท่านั้นแหละเพราะว่าที่เหลือใจมันลอยคิดโนดคิดนีดน่แต่ถ้าเราเขยียนทําทุกวันเขยียนทําทุกวันเขยียนทําทุกวันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีสติรู้ทันความคิดได้ไวแล้วก็มีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพอมีสติไวใจก็ไม่ไหล รอยแพอดีตไม่จมอยู่ในอนาคตมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเมื่อเรารู้เนื้อรู้เ น, ร, เนรู้ตัวเนี่ยไอ้ความหลงเข้ามาครอบงมใจได้ยากเล้วพอเราทำบ่อยๆสติเนี่ยปลาดเปยวว่องไวไอ้การที่มีความหลงที่มาครอบงามจิตจตงกันทั่งเนเะจ็บป่วยมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ วาฏจักเรานี่มีสติเป็นเครื่องรักษาเนี่ยไอ้ความหลงมันก็มาครอมงมจิตได้ยากไม่ใช่ไม่เกิดนะแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถจะครอมงมจิตเราหรือว่าซ้ำเติมจิตใจให้เป็นทุกข์จนกระทั่งกายนี่ก็พอยย่ำแย่ไปด้วยมันเป็นการปฏิบัติที่ทำได้นะตลอดทั้งวันแต่ว่าเราใส่นะ ความระลึกได้อยู่บ่อยๆนะเพราะว่าบางทีนิสัยความเคยชินเดิมๆนิสัยที่ชอบหลงชอบลืมนิสัยที่ชอบปล่อยใจลอยไปกับการทํากิจต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันทําให้ความคิดที่หรือความตั้งใจที่จะรู้เนืรู้ตัวเนี่ยมันเลือนหายไปตั้งใจว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําก็ดีถูฟันก็ดีเราจะ มีสติรู้ตัวเราจะอยู่กันเนื้อกับตัวแต่ว่าพอตื่นขึ้นมามนก็ลืมไม่สามารถจะระลึกได้อันนี้ก็ธรรมดานะแต่ถ้าเราตั้งใจปะมาจนนึกขึ้นมาได้หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วเป็นชั่วโมงไม่เป็นไรทําใหม่วันรุ่งขึ้นเอาใหม่แล้วมันก็ลืมอีกแต่ว่ามันจนนึกได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น แต่ก่อนผ่านไปเป็นชั่วโมงจึงนึกได้นะแต่ตอนหลังนี้ผ่านไปห้านาทีก็นึกขึ้นมาได้ตอนหลังเนี่ยมันก็นึกขึ้นมาได้ทันทีตื่นขึ้นมาเราตั้งใจว่าเราจะมีสติมีความสึกตัวอยู่กับการทํากิจต่างๆอาบน้ําก็รู้ตัวถูฟันก็มีสติรู้ตัวแต่เดี๋ยวมันก็ลืมไปใจลอยไปตามความเกิชินเอาไม่เป็นไร กลับมาทำใหม่ถ้าเราทํอยานี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะดีขึ้นมันจะมีความระลึกได้ไวขึ้นการรู้ทันความคิดละอารมณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไวขึ้นและความสุขตัวก็จะกลับมาได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมาย ขอเพียงแต่ว่ามันทําทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ท้อไม่ถอยแม้จะลืมแม้จะหลงยังไงก็ทําหมอันนี้แหละนะช่วยช่วยทําให้อ่าใจของเราเนี่ยปลอดภัยนะจากความหลงแล้วก็ห่างไกลาจากความทุกข์ที่รุนแรงและถึงแม้ว่ามันจะมาครอบงาจิตก็สามารถที่สลัดมันทิ้งได้ในเวลาไม่นา น, านนะ อ, อ่าเย็นนิพพุทธรือนะอ๋อกราบพระ